เลิศพอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจากนี่ไปขอเรียนเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสดับรับฟังเทศแหลอีสานจากสำนักเทศสะรมิกเสียงธรรมซึ่งในมือนีเจ้าหัลูกเจ้าหัหลานทั้งสามลูกสามองค์เด้๋ยนิท่านธรรมเรืองบาปปรมีวัฒนไทยหรือว่าบาปปรมีเมือไทยมาฝากมาตอนศรัทธาหยาโน ม, มเป็นธรรมาทานต่อจากนี่ไป ก็ขอเ ร, tapa, เรียนเชิญเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสดับรับฟัง น, นิทมมานธรรมะประโยคแหล่เสียงอีสานเรื่องบาปป ม, มีวันไนธหรือว่าบาปปมีมือไท ย, อไทยขอเ ร, เรียนเชิญเจริญพรสดับรับฟั ง, ง, ส, ฟงสืบต่อไป น, นิทมมานธรรมะประโยคแล่เสียงอีสานเรื่องบาปปมีมือไทยเรว่าบาปปมีวันไธนั้นสิมากล่าวถึงครอบพวหนึ่ง มีหัวหน้าครอบครัวซื่อว่าพญิพาฒจุนมีสีภรรยาซื่อว่าพญิพัฒน์มณีมีลูกชายคนเดียวนั่นก็คือนายมานกครอบครัวของพญิพาฒจุนนีมีอาชีพทำอาชีพกติกรรมต่อคุณพญาศมโยมส่วนว่าอาชีพร่องลงมากก็คือเลี้ยงแพ้ไข่สำหรักคุณญยาตคุณโยมส่วนว่านาทีของการเลี้ยงแพะนั้นกรมอบไมาย ให้น่าย่ำนบซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของภาพจุนแล้วก็นั่งภาพมันี่ไปเลี้ยงเป็นปกติวิสัยตกมือุกมือตอนแพะไปเลี้ยงสำ่รับคนพอญาดไม่โยมบัดนี้หันขม้าฟังแหลกระแสถ้ำซำเติมให้มันซึมอยู่เลยคือนามบอเลิงสัวกายาเฝ้าตีดีกายาเฝ้ายองอดสาล่องซิมสมบักหน้าวสีหวานเบองตนตังตนมันหนักสมต่างกันมันหักแสบต่างกัน เทศนทาธรรมือนีเรืองบาปปมีวั่นไทยจเริ่อนพ่นพวกพี่น้องให้ท้องทินดิน ด, ดีสารพวกกรุกรานนำ้ำรมม า, มาฝากโยมเป็นของตอนมีหลายตอนแต่ได้เทศนาสี่มีเรืองดีเรืองลายขยายผากมาจนหมดรถพระารมเพ็ดมั่นโศกระสันไหลลนสาธุชนอยู่ในนีดีบดีคงสีเครได้พานโจมมาหลายตางบานสำร้านแล้วแต่เรืองดี พวกลูกหลานถือโอกาสในมื้อนี้หรือหลายเถื่อมาเจอกันน้ำนิท่านยอดธรรมะมาฝากโยมเป็นของตอนให้ฟังเสียงยาข่าวเบาฟังซำเนาสิเปิดปองสะท่อมิกเสียงทองพวกลูกหลานขณะนี้บอกคุยโมโอวดเป็นเห็นพี่น้องบราเวณเอิญไทยขั้นถามกันวันไดดีกะดีไปมือบอกไข่กะแถมเย คนไดดีบอยย่อมแพพอขอตัวอวดเก่งนำานีท่านลาา่าค่าแพงมาสแสดงในมือนี้อยู่ในนี่เ้เบิงไปบาปบ่มีมือไทยให้ดูไปในเรื่องบัดนี้กษะสีได้จับสำนเนของเขาในนาทีของพยิ่ภายพาจุนพนเสิมีข้าจาวาไปจังใด น, นันขอเส้นสัตว์ท่าทันคุณยมพวกพอเมยคอยสะดับรับเรื่องนีทานทํามา เรื่องบาปปุมพีวันไทยสืบต่อไปนาทีของคามจุนขอถวายมอบหมายถวายนาทีให้แกศท่านพระอาจารย์ที่รวัดที่ระ ว, ระวโรบ้านเกิดเบื้องนอนบ้านบัวหงตำบลบัวหงอำเภอราศสีสลัยจังหวัดศรีสะเกดสถานทีพ่พระนักผักพิ้งปัจจุบันวัดบ้านบัวฮงตำบลบัวหงอำเภอราศสีสลัยจังหวัดศรีสะเกด สิขอมอบหมายถวายนาทีท่านพระอาจารย์ที่รวัติที่ราวโลรับนาทีแสดงตำแหน่งของภาพจุนผู้เป็นวานาครอบครัวเด้ย่่ายด้วยปริวัติทัดกันมาท่านพระอาจารย์มหาสมศักดิ์คัมพีรับปัญโยบ้านเกิดเมืองนอนบ้านน้องวงตาหิ่งตะบลหวยแคนอำเภอหวยแถลงจังหวัดโค ร, ราชหรือว่านครราชสีมา ขอมอบหมายถวายนาทีให้ท่านพระอาจารย์มหาสมศักดิ์ข้ามพีรปัญโยรับนาทีแสดงตําแหน่งของนายมโนบึ่งเป็นหลูกชายคนเดียวของปัญญภาพจุลกับนางท่รมานีสถานที่พํานักพักพิ้งปัจจุบันท่านพระอาจารย์มหาสมศักดิ์ข้มพี่รัมพีรปัญโยเจอร์นิํานกักพักพิงโยวัดบ้านนองวงตะหิ่งตะบลหวยแคน อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาอัตมภาพาภูมิปัญญาหน่อยถอยปัญญาลงปงปัญญาไว้มีเสียงเรียงน้ำในบ่อนพระโทธศาสตร์สนามวาพระมหาวิชิตอมโรบ้านเกิดเมืองนอนบ้านน้าค้าไนต์ตะบลน้าค้าอำเภอสุวรรภูมิจังหวัดร้อยเอดสถานที่พบหนักฝักปิ้งปัจจุบันวัดสเกตบ้านน้าค้าไนต์ตะบนน้าค้าอำเภอสุวรรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด มาบันิเกษตรขอมอบหมายถวายนาทีให้ตัวธรรมภาพรั บ, รบตําแหน่งแสดงนาทีของเมญีภาพมณีซึ่งเป็นศีภรรยาของภรรยาภามจุนจเจริญพ่อ่อนเลี้ยงเกองเขาในเรื่องนีท่านทำก่อนสียหนําทำก่อนมาวากันในมั่นเกลียงทํานองเสียงทํานองแหล่เปรัมพีมาสีปองน้ามาเทศโปวดพี่น้องศรัทธาทานในรับฟัง บ่อได้วังข้องโรโช่ฝนงันขนาดเอกยา่าเฝ้าเบียบเบมยกยกรอใบย่ำหอและลอยเศ้าน้ำนี้ท่านยิงตนเข่าอาดีตเก่าเข้าหลังบอ่อผิดทางข้องเดิมมาแตงเติมใม่มันเกียงทำนองเสียงทำนองแหลเปกั์คำพี่มาสี่ฟองน้ำมาเทศปวดพี่น้องศรัทธาทานในรับฟัง สามอาจารย์ยุเขตุคายเอาใจใส่ ย, ยางสมปองท่านพระอาจารย์ที่ระบาดที่ระวโรมาอ่อยก่อนเลี่ยงบันท่านพระอาจารย์ ม, มหาสมศากรรมพีระพันโยเสียงสวรรค์สั่มบรรยายน้ำถ้ำวาำคาอัตมามีปัญญาโบาแกกามาเสริมสอนประโยคน้ำแทรกว่าถ้ำ น, น้ำบทเยีเ่ยมเตรียมมาปวดพวกทานคณ ะ, ะสะท่าเมีกเสียงถ้ำทานพ้าพวกท่านเร่งจีแต่แรงเรื่องเรื่องนี้ท่านนาวบรอกาสบัด น, นี้ ขอการบาราธานิมนต์ท่านพระอาจารย์ธีรวัตธีรบรโรโธดบิดหน้าที่หน้าที่ของพ่อเยี่มจุนเป็นคำรบแรกสืบต่อไปขอนิมนต์ขอรับอนุสนธิลาดับพระสธรรมเทศนานวโรกาต่อจากนี้ไปธรรมภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งอยาจกจะนำคำสมมติสมัญญาฉันทานุมัติ จากเจ้าพระสังฆชินนบุตรพุทธชินนโนรสท่านมีนามปรากฏมียศทางพระพุทธศาสนาว่าท่านพระอาจารย์มหาวิชิตอมโรท่าน้นประ ah นนโยคโยน อ, อนตำแหน่งแห่งหน้าที่พเท่าพรมจุนบัดนี้หน้าที่นั้นได้มาถึงหัตถมาพแล้ ว, ลวก็จะได้ดำเนินตามบุตพระประโยคของตนโดยเป็นสรพัญญการถาวิธี นาโมตัสสะพังขาวาตุวะรานโตสัมมาสัมพุทธสา a นาโมตั สามภาวาตุวารนสมาสมพุทธสามนามส มั่นลุ้งระด้งบัดเนมฟังบอทเล่ปอะเิมกวนสุนทร่านสานทุษสานประยยกต์เลืองดองเสงเล่นเทีนสานเลอาลุ่นใบเบิองฟ้านพันแมขันวันสีฟุมิ การลอยหายไฟนภากันใส่จามเนอุ้มป่ามาพวกขางควงควงไปพวกกิเลนได้ฟังเททำเจ้ารอความเศร้ายสว้างหายนสามป็สิ่งขันสว่าลายกิเลนบุญเจ้ามวนมัน ในสันดานมนุษย์นั้นมากมายหลายแท่งอหยืหากปอมีขันแนวแก่งปอกับกายดอกให้ยิ่งสิ่งเข้าไปเลือกกล้ามถ้าลำเข้าดอกเกาสีเนออาศัยธรรมนินทสีลางสวยเห็นสวยสูดผู้มีธรรมนั้น กระดังมานอุจจกระมือนี่มุงคนแล้วมาหาใช่เสี้ยนเทเดินฉันได้มาเทนปวดแห่ประชาชนร้องไห้ร้องเน่จะเลินพอด พี่น้องพ่อและแม่รอบทั้งหลายเทั้งโยมหิิงและโยมชายคูณสู่คนนันมันนี่องการดีมาถึงแล้วเหมือนสูน่เนวดอกความความผู้ฟังคำผู้ที่พ้อมกัดใจน้อมนั่งสะลอนๆๆๆๆๆๆๆๆ ย่มฟ่าใจบุ่หลอนฟังสางกวันให้มันจบฟังเนื้อหาที่ป่ารบเรื่องนิทา น, ทานเนื้อตามนิทานวันหนึ่งขาะที่รำมันลำคาบุตรที่ได้เสหูซึ่งราคุณทานพ่อแม่คิ้งเนื้อปวดทํา ใจเหนียงๆหนียงเงาเน่อย่างหดหยีนฟังแล้วน้าไปเขนตอปสนองสวงท่านนะพอกับแม่คือผ่านเอาในบ้านผุ้สะทานดอกกุ้มเกศแสนเวียนเสน็กรแมบนท่านสวงเท่าพอแม่ห้อเนี่ เพื่อกายังในก้าวบวาเป็นพราในหันสานนาสงสารผู้บางปุ้บบุมบตุนดวงายแล้วนะคิดอยากเทนคุณแก้วผู้เป็นภูมิของลูกเพื่อนบัดร้อยลวงลามอยากทำให้กับบอทันเน้กว่าล้นี้นั้นอย่าได้วันสิทธิ์เสียผลถ้ารุดต้นในท่าผูนูที่ท่านแผ่ท่าน พาละการดอกทำให้อานิสงสิยูสงคุณสีสมัดแมงบ่แห่งจางวนก เนื้อฉั น, นลุกดีเจล้อนพ่อพ่อแม่ดอกยังน้าปวดจมจําคตีก่อนตอนนี้ทานในวันนี้อฉันสิไม่ดอกแน่เวาจับซ้ำน้องให้ฟังไงเพราะถ้าฟังบันไทยนี้ทานกอนเนื้อ เมรบ้อนหอมนานละน้ำนือแสน ส่วนพักจุดในอาวุลลูกชายพอแต่วัาทีตยบางวันดีบางวันเลวบ่จะฟังงานความเบา เฝ้าผู้เป็นหัวหนาเหลือมีด่าเหลือน้าพ่อญาติลูกก็เหตุใดคือนอนใดบ่ยิ้มตาเน่ผู้เป็นพ่อรุ่นสีบ้างขันบอกยากลับมาเถียงเน่ขันบอกดีผัดโวยวายผัดว่าเฮาหนีขาดแย้งขอบความเพ่งจึงส่วนบ่เน่เฝ้าเพือกันผู้เป็นพ่อแม่ญานลูกสาวลูกชายเป๋ผัว แม่เบาผัดใาเพืไปคุยพ่อมบอฟังหนงหนรน ร, นเรนเอเดียวเดียวขอพักยังเงีเพิ่งเปิดฉากแม่กำลังจานขาดนิทาน นิ่งตกที่เด็ดบอกว่ามันละวันนี่มห่งมันดีนสิเพย่อเอาบ่หวังเห็นดอกกําฮวาเพราะเดียวเดียวการสิพอบ้านเด้อสิลิง วันเดียวนาเตือนขึ้นมากก็คอดเกี่ยวสิยงหยาดกันกินบเม่ได้ยินคำลืมเทาเมื่น้ำไก่จนลืมแกมีแต่พวกเฝ้าแจ้งหรือสิพผนดอกบานตายนา เสเป็นไายหรือเป็นคาเป็นพระสงฆ์ผู้รงฆคาเป็นชาวไห้ชาวนาหรือเสพพ่นมองวาไห้เศร้าได้ละกันสาละมาทำดีเถิดมือนี้อยู่ไหนนี่เรียกว่าบุญบ่ทำใจให้ว่าบุญ ท้องอบอุ่นกาะใจใสตาไกลใจมาฟัง่าหวังหยังดอกทั้งพี๋อขว้างดีพ่อทํามคอยยาต้อยลังตั้งใจใสมาฟังโลดพ่อไ่มาฟังโลดเมียไงยาเสียค่าตั้งแต่ขานวันมือนันบ่ ลายสุขตั้งแต่นบจอกาะย่อมมือนบนําเข่าอันโลูกลานควงคนเอาเพื่อไนตัวบ่ทันหัว หันเข้ามาทั้งเพียมาทําดีรอกกันไหม่มาทาระเกียดใจพวกฟังน้เพ่นโบเสียให้เศร้าเ ส, สียมา ันดีอันมาเขาจับส้ำน้อเขาเนือเรื่องนั่งจึงเอ้เผยคำพระเดียงเผยซำเนียงขันออกเบานำเจ้าดอกไยผัวมาละเมียรูดีตลอดตัวที่วัแก้วถึงบุตรตุน คอยอดทนนกันไปคอยสอนกะคงไดคอยดูไปซอยกันนกสอนบางคอยเนียวนนทางวันนี้มืออืนนี่น้องผู้น้ำเป็นเมีเสียคอยปากคอยบอกกะยำให้รอคอยพัานลาและมื้อนี้ดี ละเมื่อเอื้นหายมันบ่เนี่ดอกใจคุ้นลูกของตนกัคือกันอาจสิดีกัคงได้ให้เบาใจเถิดคุ้นปีเดียวก็ดีน้องว่าย้าวเหล่าน้อเือสาลูกยังเด็กอาจบอทันโอ้คุณไทยพ่อแม่สอน ทำใจดียาแฝงหอนให้ฟังกวนบ่ทันใสลูกชายความเอาเพิ่งใหญ่ตัวบ่ทันหัวให้คอยดูให้คอยแก่คอยดูนกคอยเลี้ยบ่เน่ยยาแฝง ละน้องลบร้องขว อ, อาสาเสียคออยปากขั้นคอยเป่ายะฮวนฮอนอ น, อน้ให้ซสื่นใจนั้นละนาพี มีคถานบรโอกาสบัดนี้อัตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของพามาีเสือบต่อไปดังเมื้อไหนใจความว่าเทภาพามจุนเอ้ยเท้าอันเจ้าเฮ็ดยังย่ดนี่เท่าดูนี่ ตาแตกบ่อมืนติขวับนั่งเขี้ยวหมากอยุดตลอเนี่ยนั่งเขี้ยวหมากอ่ะผมไมีเวียดผมอม่ยังเค็ดจนติดเดี๋ยวหนีไม่เงี้ยงใจเถ้าอ้ยอยก็ขึ้นน้ลูกน้าเต่าเฮาคึป็นสยางสุเนาคว่าเรียงลูกเรียงเต่าจะได้กินเฮียกินแห้ง่ะได้เด้อเถ่าเนี่ยจ้าวเดือดเถ้านี่ยคอยคึดไปคึดมาคึดน่าจังไลยขึปีนกัปกัหน้ากับหลังอยู่หนะเออ โว้ยใครมาคือนักมกนักใจคักๆยานบ่ได้กินเหงากินแห้งน้าลูกน้ำเต้าสันเดียวเนียยานบ่ได้กินเหกินแห้งน้ำลูกนเต้าให้แน่บัดยามเขาเขาเขาจาดูเขาก็บอกนอนสอนไงเอลูกโต่แล้วบงเนียเพนพแห้งมันบทนตืนอยู่ันเนี่ยเพราท่านตือนจ้ไหเ้าเนี้ยมันตืนก้อนเจ้าคนตลูกไส่เจ้าน่าแถเจ้าว่าไปติมันบท่านตืนตอนมันอยู่ในบ่อนอนปวดนะ อย่าว <c twisted noise> ่าดังได้มันฟาดมาตั้งแต่พุ่นเดนมาสิฟาดจังใด่เดี๋ยวีมันลูกตเศ้าตืนเดกไปเลี้ยงแกยกังงกังท่าฝนตัวเดีนี่มันตื่นก่อนเจ้าวเดีนี่ยไปเลี้ยงแล้วบเดี๋ยวเนี่ยไปแล้วไปแล้วว่าข่อยตือนเดกอยู่คือบหนมันไปมันไปคอแห้งแล้วอจะสามารถถามมันเถอเเอ้ยนั่นแหละจังว่า่นเถ่าเอ้ยท่ามดานั่นละเถาเอ้ยลูกเข้าเาเลี้ยงมาผ้าใยคอยบอกคอยสอนคอยบอกลังสั่งสอนมันกระสิ เข่าใจเฮ้ามันกสิบอกง่ายฟังคว่เอานัเ่าคอยบอกคอยสอนเอาถนัลูกใช่านัเท่าเอ้ยขนาดคอยบอกคอยสอนมันยังสิตีคอยอยู่ขนาาคอยบอกแฮี้ยมันจิบฟาด่อยตกเงยทวนบุนบ่เต่าเป็นปั้นนั่นเจอในลูกเป็นปั้นนั่นรอลูกเฮ้าว่าคอยสีขั้นว่าวขันว่าเรื่องลูกเลี้ยงเต้ามาคอยนั่งสูลีบทันเขากอสีเขี่ยวมาสีเดี้ยมมาต่อสีเขี้ยมก็อันนั่นแหะเท่าเอ้ย ถามันสก้อนน็อตเ่านอมันเปรี้ยงแกะยุกังทงกังท่าอีกบ่โดนบ่อนั่นเสร็ดสวยเฟสง่ายเราละเถาเอ้ยบังกะทิขึ้นโคงเตามากคือก้านั่นแหละเถาเอ้ยนั่งเขี้ยวมากช่วยหนิเราเถานอถามันเถานอนวโรกาบัตนี้หน้าที่ของอาตมาภาพได้เวียนบัดผัดมาถึงแล้วดังจะได้ดําเนินในบุพรปะโยคของตนสืบต่อไปจับเนื้อในใจความว่า เอาาบามีทิบเสกันลุงชาววันใหม่ได้มาถึองนายบานพู้เป็นลูกชายของนอยายพามจุนมีหน้าที่เลี้ยงแกะเป็นจิตการในวันนี้ก่อนจะปล่อยแกะจึงแวะเข้าไปหาพ่อกับแม่ของตนเห็นสองคนคุยเรื่องอะไรกันเล่าอา้าวเมีนเห็ดหยัง่งเนาสองเถาเบิงคือส่งบ่อซึนบ่บานแทะละเมียนภาค ก, กันเห็ดหยัง่งพาค ก, กันเ้าเพื้นลูกพื้นเต้าติเห้เอเมีนภาค ก, กันเห็ดหยัง่งละวังหันเสียงจมมุมมุมมัมันเบาพื้นคอยติเห้อ บ่ได้เว้าพื้นโตตัวหนาอันเว้าอยิ่งหล่อว่างหันก็ได้ยินอยู่เฝ้าสวยนี่บ้าลูกมาคือนอนตือนสวยแทะนั่นได้ไปเลียงแกะสันในเดียวนี้นั่นนนั้นคือว่าบ่ได้เว้าพื้นลูกพื้นเต้เ<อ>ากับบ่ได้เฝ้าอันพอถามหาตัวพ่อเว้าเนี่ยถามแม่เจ้าก็ได้ตัวพ่อเว้านี่พ่อเฝ้าถามหาได้คำเพียนเสียลูกในเต้านี่ไปเห็ดเงี้ยเห็ดงันสันได้เดือดหา วจังไหลูกลานเอ้ยไปเลี้ยงเกะอยกกลางทงกลางท่านันห้อนแดดบ่เมื่อยบ่ละค่ำไว้มาสร้างว่าสร้างว่าเธอะเถนี่ก็ได้เอาทันไปอย่กลากลางแดดกลางทงมันก็ห่อนมันจะขึ้นหมดเจ้าอยบานนอดเวนสือสือสะบ่อมันก็ห่อนอยู่หรอเนาะสั้งว่าเนี่ยลูกหลานเอ้ยแม่หิวเข่าบ่ก่อค่ำบ่บ้าใจหิวเร็ว โยกเขาป้อยากดอกนันไอ้ขัวนั่นน่ะเมียมัวเส้านี่แมีต้มไก่ไปให้หลายๆโยนไอ้ตุกเขาเขานั่นเด้อลาเด้อไปเปิดเบื้งไปเืิดกินเอาละเออเดี๋ยวสิไปกินเองดอกอันมัวเจ้านี่ตินขึ้นมาป้มีเวียกบมีกันเ้าตั้งแต่หาเาตั้งแต่พื้นลูกพื้นเตาอันเถาป่ยสมเอันเบาย้ำได้แมเบาย้ำได้น้วนี่าพื้นลูกพื้นเตานัไน่ะเาตั้งแต่้งคืนคุณะเห็นอยู่นั่นน่ะไ้ยินจ่าาอยเ้าคอยจ่าพ่อับแม่ได้บ่ได้เ้าพื้นลูกเพราะความใน วนึงก็ยังอยู่เถวนึงเ้าน้ำหมเแ่าสุมน่กัซ้ำวายุให้เจ้าคงศูนย์อันพอก้แม่เบาดูนั่นกับพเอือนบวกไกดอกย่านลูกนั่นเป็นคือบ้านอื่นเมืองอือพนย่านเม่คือลูกเป็นคือเต่าผู้เอื่นผู้อือพนอยากใหลูกนั่นเบาไงฟังควมสันดอกลูกล่ะอันแม่เบาดูในแม่อยากใหเจ้านั่นได้รับดดีสันที่ตอนนี้ลูกล่ะตอนนี้แม่เมีจมตีเรือพื้นก็ตินทางเอาลงพวยงเอาตัวเนี่ยนี่ลูกเจ้าควงปูควาซื่อๆตัวฝุ่นเนี้ ในตอนเ ย, นย็มนุษย์เผยคำอ้างเปิดกระจังวังก่อนลา พ่อเมีสอนกจ็จดจำแต่บท่ทำตามด้วยละช่วยกันทีราทีเนียมผู้ใดดีผู้ใดสวะขอออกตัวตั้งแต่ตัวเดือดคนเทาผู้นังฟังน่ะเออพ่อเมีสอนบ่อยับยัง้งพราะความในว่าจะลายน่ เท่าสิใยจังคือสอนบอกสอนบ อ, บอมีแล้วอันว่าเนื้คนเท่าลาเตื่นเศ้ามามีแต่จมซื้อจังลวกนี่ขี้ายบเห็นหูเหตนของนา อือเยาวลูกมักห่างวัดเจิงเกินตัวน่ะผู้อยู่ตัวคุณโนแต่อบริทำตามจ้น่ะอาภัยดึงกรยุมเท่าปูมาฟังยับเฝ้าดั้มน่ะวดธิดายาสีเฝ้าเียดแชละแข็งตัวตอบแมตตุน่ดีบอดีลูกลูกมาตั้งต๋ นสิสนบ่คำจานาดีบ่ดีก็เห็นมา้าพ่เมียเฉยหรือเอาไว้ใจบ่ใส่ส่วนแขวน ส่วนคุนม้าเดี๋ยวสอกเขาเอาเท่าให้อยู่แต่ส่วนเท่าอย่ามาเว้าตาเลียงสอนอ้าเดี่ยวนี้คอยบ๊อบหวานยาวจีไฟเผาล่ะสมพ่อเกษียส่วนคุณคอยย่อไว้แอมเดี่ยวนี้ไพกะควงลัวคุณมันดาบิดา อย่ามาเฝ้าบอกนำละ่ะทำว่าคุณลูกลูกเดียวแต่เนั่ท่งหลักเมียม่ะหร อ, อประเดียวข่อเสียเกิดบาน่อย่าเบ้ามากสาทายั ย, ยน่ะ อันโลกใจคือตัวผมกะหูดีมาพ่อแล้วลละระวังดือเื้อเอ้อเดี๋ยวสิตีกกแเข่วกันไผ่มาเว้ามางนาอยากอยู่ดียาสวาวันเขาหาเรี่องกาว่าบุญ น, นะอยู่ดีดียาสิวุ่นนันเว้าพื้นลูกเจ้าขวา ง, งยิงแม่อื้อเยนนะา เพียงใจผมเนี่ยแม่พ่อแม่ยังมาคือบาปนานะ ละคนผู้นางโยนา่ า, าเบามากนาเดินโยมเดือย่าคือพอคันเมข่อยจะเบาบาย่ซ่อมนาโอ้ยผู้เป็นลูกเป็นต้นสิเปิดนางขันมังเมนเห็นหรื อ, อยังคนฟังย่าสป็นคืนนี้หยุดเสียที่รักทางข่อยไผมาอ้อยกรบาโยง เว้าขึ้นมามันขัดหัวเอาให้ยูมือจังสี่เหลี่ยบยอมให้ละ อ, อนไผ่น่าจังเอื้นสังคันเมะไวียนขัน่ข่เว้าให้เศร้าจาน่ ทางบิดาก็คือกันให้เสื้อคําบัตจารเลอมนาโยมผู้ฟังยากาะเทวอดเอาดื้อยับฟาวานนาดาบิดามันดาย่าเสพเฝ้าขันเ้าพื้นว่าทั้งขวัญนั้น สีดวงดังนั้นดอกน้ำเนสาทา พวกโมเจ้าวยาสามารถสอนหลายเรื่องคุณโอคนนั่งไขว่หูดีมาพ่อเดีวตั้งเต็อยู่ในทรวงขนตัวภาษายังพวกโมเจ้าสีหูยังทอไขว่เศร้าๆอย่ามาเบาอย่มาสอน่อพอนั่นเธอว่าเลอตัวเ่าเถียงปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ ยาเถียงพ่อเถียงแม่ละไรอ้พ่อแม่เลี้ยงนี่จะเปนทุกจะเป็นยากเอากรอดกะดีตัวเถาตอนนอเถาเนาะแม่เลี้ยงลกมาผ้าหลกไงน่ะน่ะโอ้ยล่ะเอ้ยบันยากว้านลำบากบ้านในสิวาสีใหญ่มากเป็นกูเป็นคนปนีกะเจ้าเถียงอลไรดีนะเถียงพ่อเถียงแม่นี่ยน่ะพ่อแม่บอกอยังกับบอกไยฟังข้อมนี้ไปอย่างจนียากกับยากคำหนึงกับยากสองคำกัยากโู้่ามันยากมันคือประายตายแต่น้อยผุนสร้างว่าแตเถามนี่นั่น ว่าตัอฝ่ว่าตัวหนีกายั่งว่าคนหากลูกหักเจ้าคนพอแม่ไปก็คือกันนั่นนะหากลูกเสมอตรงเสมอตาสลักค้ามมือเศ้าเศ้า้า้าบอกเถ่านึงเลี้ยวก็นย่งบอย่างอีกเถ่านึงคันมือเจ้าเก่งไหลก็ยั่เองเลิ่อฟสีเปลี่ยนมือเจ้าหอกคันว่ามันเก่งไหลเนยจังดจวาจังสันจังใดจังวาจังสันลูกหล่าโดยนี่ยังเสเลียนเลีย้ยคันว่าบนคุณนพอไปนี่นักเกิงทรนี้ลูกดีทั้งหลายบอกวอนรืมพคุณทาน เปิดมาบุญคุนพ่อแมนี่พอ่อมนี่นะักเกิงผู้ผาแมนหินเสีลรมาสังซ้ามอมมี่ได้สันที่ลูกหลาเอ้ยเจ้าจะาพอไปตัวทีบตัวเดยนลหลายลูกหล้าสิว่าไปตัวทีบตัวเดนจังแต่ยังแต่คอยสิ ต, ตีตกเนี่ยแ <มา S 1> ล้วหูเจ้ากว่าเลยตัว โลกไทยบานมาลีเป็นก็โรคไข่เพาะไรมาโพดมาโคกันเป็นคนเถ่าทำข้นขนมากกว่าเลี้ยงลูกหลานย่อย่อนเสมอหน้าพำตาท่านท่านเปนเพลียงมาใหญ่แล้วให้เขาเลี้ยงเพนสนองคุนการงันจนเจอเป็นงานท่นถาดําล่ไว่วองสกุลพ่อเมประพฤติัดแทกคุ้มเฉลตัวมุ่นตลาท่าอกไปนิมันยังวาบเหตุยุติเหตุปาน้มันยังวาบเหตุหยุดตีเวียการงานส้างกัเตุซอยสุนทยางก็ยังวาบเตุยติเถ่าสุมสาตาบราบนี่ กลางว่ายู่เ่ยล่ะเอ้ยเห็ดก็เห็ดยู่ดอกแต่ว่าค่ำที่พอที่เมีบอกลังสรงสอนเปนั่นก่เว้าไกฟังคว่พอคว่เมนีล่ะเอ้ยจะเถียงปับปบแปบบเนล่ะจะจะเสียงเสียงน้าถุค่าทุคว่ำหลฟังยู่ดอกัยป่เห็ดน้านั่นจชว่าจังสนอเ่านี้เอ้ยลูกเข้า บะเน็งกะโยมเมียโอ้โอ้โอ้โอ้เป็นพอได้อวนเงะเป็นนางเงือันสะจั่งเตนเกินเป็นวันบกคว ฟังพ่อแม่สอนพ่อที่ยังตเนื้อโอ้น้ลาลูกชายคอยพูดมานีดอกไหรเนี่โอ้ยแนวพ่อสอนทั้งดีภูมิไปมดตลอดสินกับสีขาพ่อแม่เอง กินเธนดลูกชายลามพวนแถวอาลูกชายพ่อกะมาส่วนพ่อแม่ได้ลูกชายลามผัดว่าไปรละคำมือเฮยเฮยเฮผู้เฮยเฮยงเจยาฮหเฮยเฮยงใหเฮยเกยเฮยเอฟังยาฮยเฮ ที่พร้อสอนอยากให้หงกับไรแส้นเจ้าความเงี่ยเสียนใจดอ ตาเกิดไม่ขึ้นสิเหน็บมีลูกชายดอกทั้งทีมันบอกคุณเธอโน่นเจ้าฟัางเบาเบาเล่าท้ามือยาสิหายยาสิดาจะพอกับกมีหลายคำบ่ยหายจังี้เฮ็ดปนี้ก็ยังว่าปเฮ็ดอยู่เนอฮึ่งขั้นพูนไปแห่งใจสาวเงาหัวใจโอ้ยปานโล้ ท้นงส้ินสันตางกูงน้อ พัดมีลมกับบอสขามจะกำสังตั้งแใจลังเอมนหมดที่ห่วงแล้วกัให้สงสารชาติเจ้าความเงิลูกนักเรียนบอกคุฟังพ่อแม่สอนบันขัดเด็กเถื่นวัตัวเป็นคนเท้าวอาศัยกินน้องเป็นญหัว ชีวิตยังทั้งพวงพอแม่มอบให้เจ้าเป็น่ยนคนมียนดกตที่ผ่ามเนี่ยคมามแม่ยังลูกตามกะวังเพิ่งมาดยันเต็นเห็นลูกชายเป็นคนดี่อมแม่ด้อดีใจดื้อ เีนเถีงว่าสูย่าใสาเปี้ยงกับตอาใส่ลูกผีลูกถูกเฮลูงแก่ลูงชายลายห็นกรานพ่อแม่้อันนยุย่อนยาส่วยำดอกลุกดนเน่พูดแต่ยินเสียวองวันเนว่าลูกชายนี่เลว้ลายเอ็เปนามชางต้องนักแน เห็นคำสอนเอ๋ยจงอมรนเจริญเมืนทีินกิเมรุมันิติี่หดปวนฝนว่ตกหาดน่อยขันเรื่อลมทิ้กับ่อึ้น เมื่การคุ้งเป็นเมื่ให้้าวาคยนั้นจดจำเนีท้าวอาจากยที่เลี้ยงสัมหรือว่าบดถีที่ควัด่างนทางสองเสลาที่เขาเห็นให้เรัก ดีสองทางทั้งหลายเอ็่มอนร่างดางดอกป้องไข่เุนของพ่อแม่ใส้นักเคือดอกหินพามเนุนของมม่ดาคือกันดังทะเลทินเสนกว่าง้ข้าละาย้ำได้ดอกเขาเทียมเนี่หละคุนดหยอยบนะดูหยาบนะ สาเอาคาฟาดนาเจ้าของนั่นเอพันดวงเนสวัสด้ลูกหูย่เฝ้ารูดอกคาแข็งเนพอแม่แพ่งถนอมเอาคาขึ้นบอกให้หายเพอแม่ฟังดอกน้ำเจ้าท่านตามใจเหมือนทุกเน เจ้าสีดากระทำซ้ำพอพบคุยขันดาปล่อยเพียงเจ้าจะไรคำเื้อพอกับแม่บอลาสามเนิ้เศ้าคำกระทุนเอานนักเรือเบากระยมพอหักานั่นตนเจ้าแฮงเบาไปแหงใจซาอ้นยานเจ้าตายย้อ ลนาโอ้ยเจ๊จังนจังสีได้ปวดใจมท ส้มาการขวังผัวเล้วส่งบอกพอใจน้อลูกว่าเสียฟังทังภูมียกาจึงโบชัยขวารอกเาาสอนนาลาลูกคำอยเจ้าเนื้ จะขวากนกับพ่อเมียเป็นคนดูอันคุณโอ้คุณนองให้ใส่ ใ, ใจเสมอพร้อมเนือกะคานพ่อสอนให้เจาะฟังคำสาย่าสิลืนเขื้นพ่อเมียวาดันคนสี่ย่อยต่ำลงน่ะ ลาพัวเต็หลวงบ่ม so ีใครได้แก่ลูกถ้าเิดถูกว่าพลาดพังจึงมันดอกแกนสาลาละข้าลูกเดือนน้อลูกดานบ่เขารบน้อยำเก่งอันบิดาน้อมันดานันคือผมอยากมเห็ดอกคำวา ขันเจ้าดีคนกะได้ย่อองขันเจ้าสามคนกะย้อนลูกคาเอ๋ยยาสีเฝ้าจอนห่งข้น้องปากคนเฝ้าได้จิงเรือไม่ให้เจ้าฟังลาลตื่นเหลือเลึกให้เจ้าย่างข้างดูบุญชดเอ๋ย คำแพงหมื่นกิโลบ่มีเท่าอันคนโนสวางเถานักเลือเบาให้เจ้าสังลูกคำเอยบ่เหม่นพอแม่สังแม่วางดีจึงได้เบากว่าเจ้าขีดบ่เถึองน้ะ ลลูกเขมยพ่อแม่บอกอ่าทะลึ่งให้เขารบปูชจาคุณมาพมคือเบดดาพ่อเจ้าของปูเพียนเลี้ยงน่ะ พ่อแม่ไปกะคนนืนนี้ถามโดตีขั้นบ่อเสือพนั้นหักเอาเรือพัอ้นผู้ใดเลื่มพ่อเม่เรียงบ่อมีลุงหงจ้าเลื่อนนให้ผู้สู้พ่อแม่ขึ้นเทวดาน้นยำพ่อให้ผู้โย่พ่อแม่ไใดคนกะย่องดอกทรงเสริมนา ละเจ้ายาฝ้าน้อดีเลื่มขนวดเก่งเจ้าวังเก่งแห่นสิจ้าน้อดีดีอวดกยุยมผู้ฟังเลี้ยวและแ น, นวบ้อดียาหวันกะแสดงตนในคนซาให้เขาลบปดาเรือมันดาแม่ผู้ส่วนปากเบ้าจะาลื่มเ่าดอกเห็ดคอง ญาติพี่น้องน้อวมคุ้มคุ้มควางขันเดียวกันอันเพื่อนผงกะคือมีมูเดียวกันบอกคือเจ้าเศ้าสาตีแต่วันนี้เริ่มต้นที่สร้างตัวไม่สร้างที่วิทย์ให้สดใสนะ ขอเจ้าขังนามันยังกวางงกาัวเล่างเลวละนา ยัง่อกำลังหายพอเมตุนหาเบิงดูนาดอกเมตุนพอเมตมากบอยอมเปียงน่ะพ้นบาแขงกับคำแขงบ่เสด็จกัจำบ่ละ่อบ่าอขคำสอนทอคำโบราณสมัยก่า ส ม, มัยเขาบ่อใส่แล้วเขาเอือนว่าเปรคุณ เดี๋ยวนี้ยกไอ้พวนยกไม่กระตันการตอนลูกหลานนําพามปู่ย่าไก่นำกวนเขาบอสอนคําคนเถ่าแนี่นิยมเขาบ่อ่วงแทดวงจันกระหอดเหลี่ยไก่แก่ลังดองพวกเจ้าคนกันมักห่วงของเก้อยเศร้า น้าบวชวสาคำสอนพวกมมหโบุาันบ้นน่ะเฮาเขาไปไก่สุดความฟาซสุ้มเจ้าข้าแต่ความก่อเถาจังสุ้มขามูเจ้าเขาไทยทิมขันเมีนพุนน่ะเสื้อควยโลดเมสวนไพบ่าเสื้อกะต่ำทิมน่ะไพสซีดีหือ เดียวมองวันย้ห้มันเหนือันน่ะมุงแต่งอันคพอแล้วเนื้บอดีสีปากปากดียสีเป็นสีแกปากปากบอดีสีมีสีอกจากปากคือได้ยินบะมูเจ้คนทาสมูสูน่ะ เอยามาือสอนคอยนีรั่วจนตลอดกไป่านาเท่าิไตพ่อเอีงวัดแสดงหรือเจ้าหลักพวกมูสุ่มพี่ป้อสร้างบ่มากินคนเก่้มากินพ่อมมากินเมียสุ่มปากสุ่มปากเมาได้ยินว่าแต่ยงคื่นนาเตื่นขึ้นมาย้มมือสนนอนบะ มีเวียกบ่มีการสุขสนันสำมลันหลายสร้างบ่ไตเทศน์จรร อบ้าบ่าแรงหรือเสาตื่นขึ้นมาได้ยินจมมาผู้นั้นปากผู้นี้เ้าส่องเท่าซ้ำกันหรือขันมากจมขันจังสัน่นแะจนไปจมอยู่ในวัดวัดเป็นเนีนเป็นจี่ขันมกากไหลทั้งเวัะพอให้เศา้าจะเ้าข่อยบาเก้เสียงคนว่า ขันไพ่ปวดให้เป็นมาพูนบอป่ากคอยยกไว้ขันไพ่เบาเอิว่าหม่พอกับเมียคอยบ่องนขันส่นมากะใตสาพอเอื้อมสบายหัวสบายตาบ่อยากฟังคนวนหากไปดื้อกะยยมจวัดธรรม บ่ดแสง่ท่านบ่อเข่งกะบ่อห er <myth> <pain> ัวขันบ่าตัวกบเพร่เขาน่าโอ้ยบ่อเมียนกิงตั้งแต่บ่าวรู้อยู่ดอกคุณน้นน่ะพ่อเมตตัวคือโป๊ใส่ห้วเมอาใสสนพ่อเมตต้นเป็นโคกเ่าเล้ากิ้งไก่เขาได้เพื่อสนประเสริฐพ่อเมตจ้าพวเข้าหูวผัววคู น้าเต้าควายด่าโดนกวดควบนบ่ยอมแพ้หนาเท้าตั้มเจเจ้าขวางยิงสีคมเหียงบ่มีญาณน้าแพ้มาพ่านลองดูเมียเท้าขันอยากเจอส่อคอระวังดื้อพวกมูเจ้าให้เสวยหน้า เมียนยที่องนั้นเรกเดิมอิเมีนอุนอุนอุนอนอนอมบอกให้พวกมุจจาวเศร้าเบาเท่ามูนี ว่าดูว่าวปากเปียกปากเมียพ่อตายกัตายสาอุกหลายอางหลายนั่นหวยมาสร้างว่าสัางว่าแต่ละลูกคำเออสิมาบอกพอมาบอกแม่มาสามาแสงพอมาแสงแม่ให้ตายเจ๊ได้นี่ลูกหล่ะเออจะเจ๊จะเจ๊บอกจังสานคำกันมายากยิดยากใจแล้วกับภาคกันตายเบอร์ซัมสิได้เป็ี่นว่าไปว่าวมามาเสงพอกับแม่ให้ตายคำเอ้ยคนใจเบาขาดจิตไปใจง่ายบอกคำ อพ่อบอกลังสั่งสอนหลูกหน่อยก็เพ um ื <um <k <k ่อวังดีหรอกครับอุ้ยยาสไครต์พทที่ว่าบาเดียวหาและทลาฟังพ่อฟังเพ่เ้าเสนียงน่ะพ่อว่าไม่ว่ากระดัยนะฟังโยหรอกครับฟังโยอันว่าพื้นฟังห่ือคอยว่าคอยเบาฟังนิดเดินกานั่งฟังโคโมอยู่ในบทท่านเดินไปคอยแก่เด็คือเถียงมั่งมั่งเถียงมีเถียงกับเถียงคนฟังเขาการนั่งฟังดีดีคือรุมนั่งอยู่ทั้งล่างหันตรวจน่นมันบอกคือข่อยเนาะ มันคือเจ้าบพคือเจ้าแนว่ยไหนเดียวเนี่ยก็สีคนคือกันนันตัวคนกัคนคือกันนารไฟในี่มาลูกเจ้าจะลูกท่ามจุนสมุทรจักเว้าอยู่จังว้านี่เจ้าลูกพ่อนี่ว่าตีลูกเจ้านั่นแล้วมาเว้ายากสร้างแม่มันแต่ขัน จะเป็นแม่เจ้านั่นะก็ได้แนวแม่เจ้าว่าวเาอฟังคว่มเจ้าว่านี่ล่ะอันนี้แม่โอ้ยมาลกเอ้ยลูกหล่าเอ้ยขั้นเป็นพอเจ้าว่าแล้วยาคํานึงบะมี2สองยาเสตียงพอมามามาลูกหล่าก็อยากไอ้ไทยบ้านอยากไอ้ไทยเมืองพนบ้านใกล้ๆกันนี่พอนอยากไลได้ลูกหล่าพอนีเว้าเพื่อนว้าขวัญเทาได้เลลูกหล่าอยากไลกับสั่งเขาแล้ว่อยลูกเจ้าก็สิว่าเจ้าคนนี้บริวาร่อยได้ นนอันเ ม, มเป่าย่ำเด็กับบ่ฟังจักคืออารมณ์ใเ อ, อ้ยลูกไป้มันคำมันคูนนี่วันวาลูกเทวาดาเนี่เนะเคยเห็นบ่อันเม อ, อ, อเออสียวแกะไปเลี้ยงเด้ก อ, อก่อเสียวแกะไปเลี้ยงแกะไปเลี้ยงเออพละยุตินพูละอืไปเอาเอาไปผูกไปส่เว่างมเร้านี่พ่ละปล่อยไ ป, ไ ป, ไปแล้วเดี๋ยวมันสนํามอท่านอันเจ้าจะเลื่มเด้อเมเด้อเออไปส่งเขาคอยแน่ไปส่งเขาแน่นไปส่งเขาอยจะยัไปสวยเด้อกันไปสวยเจ็บ เย็บหนังเย็บหังกอยากขู้กัไปสวยบ้างอ๋อเพาะงี้เลูกเราเอ้ยแม่ก็สิ่น้ำไปส่งนี่เราเข่าผ้าอาหารกระไดผื่ดเพราอยากราได้ินนั่นน่่เอ arians, ้ยเอาละแม่เถอะเอ้หลายกับวิทประโยชน์อีกยังดอก่งฮมันเป็นไปตามเรื่องตามลาบมันซามือนี้ยว่าสายพราะเฮงแล้วลูกเขาออกไปเลี้ยงแกแล้วเจอเขาเอาหนาไปส่งมันจะตีหลักกว่า เดี <use> <S <s ๋ยวมันสีไดเจ้านี่ฮะเนี่ยเฝ้าไปดูจะ้ะไปต่อไปต่อครับมันดูเขา่อยเาการหนึงแล้วละเทาไก่อยู่ในซุ่มอยู่ในเลานั่นเหลือไก่หน่อยตัวหนึ่งมือเท้านี้เขาก็เลยขาเขาก็เลยลกขนสดอกเทาขากล้น่อยย่างไปสู่ลูกเขากินเน่ยมันก็ย่างไปเล้ยวเรียบร้อยเล้วเทาเอ้ยก่อยแตีงไปเรียบร้อยแล้วละแต่ว่ามันเป็นเจ้าสี่ที่เทาปะ โอ้ยม uhm, ือนีมันเป็นตังเก่าตังหลังสมือซื้อเว้นตัง่เป็นจ้งซีที่เขาตังเก่าตังหลังเดียวมันตังจนให้จิตให้ใจคอยในลถวเอ้ยเป็นจังในดอกเถเอ้ยเป็นงึกงัก โอมันบ่ได้ถอนให้ได้บุญเนี่ยมันบ่ได้แถมนั่นแล้วล่ะโอ้พวกเป็นอย่งดอกแถมบ่ถอนถอนบ่แถมกับพเป็นอย่างบ่าากันดอกมือเนี่เป็นเงกเงักๆาตาเมนเบียงซส่ใหญ่ไม่ใส่เบีองขวากัยังว่าก็จังสีมีข้าวมียข้าวสิเมีงไหลล่างไไปยังสันเถ้าเอ้ยคอยสังหอนในใจที่เอานีเถ่าคอยสังหอนในใจครับดี่เราดีสังหอนในมวกในใจเอาใจเล่าเถาดเอาจังไดพันเจ้าเบส่งเขาลูกเจ้ากอยาไปต่อหล่อต่อขามันมันวาจไหเจ้ากอยาไปเถียงมันดี มันจิตีเจ้าตุกห้านารลดเลยโมเมนธรรมดานีอลูกเขานี่ยกรดากับเจ้งวานั่นแหละเถ้าเอ้ก็เสียบ่าอปากต่อคํามก็เสียบ่มันตาก็เสียบว่ปากอย่งจะคําดอกเถ้าเอ้ยในชเ้าเด้อไปเด้อก่อเสียบคือเจ้าวานั่นแหละเถ้าเมื่อนางพามณีจัดแจงเข้าของเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนางพามณีก็มุ่งหน้าไปสู่ที่ของลูกชายก็มีนักการะข้างนั้น นับตั้งแต่นในมานพได้ปล่อยฝูงแกะออกมาเลี้ยงที่ทุ่งนาเกือบบ่ายโมงตะวันอาทิตย์ตรงศีสะทั้งมาน่าและอดทนแสนร้อนหลนต่อความหิวในขณะนั้นมองเห็นมารดาของตนกำลังหาบกระก้ามาจึงเกิดโทสะขึ้นอย่างแรง <c oughs> มึงให้มึงมาอีเท่าหันมึงมาไกลๆบังกุชเตะแมงตกหัวกันแท่มานี่ละมึงมาทรงเขากูสวยกระดอ ก, กระเดียแท้ให้มึงมาให้มึงมา มานบมานโนไว้ลกลาค้าแหงโลกขวงแม่มากินเข่าได้ลูกลาเด้อให้มึงมาให้มึงมายิเถ่ากินเข่าได้ลูกาเด้อแม่ปิ่งไกลน้อยมาสู ก, กินลูกลาปลาแดกบองของลงลกมักแม่ก้ามาพร้อมคเด้อมึงีปิงไกน้อยมึงจีปิ่งไกใหญ่มึงีปิ่งหนันปิงนกกระจอกเทศปุบว่าสนใจดอกมือนี่เฮียเรียบมาให้เรียบมาเฮียฟ้ามาลูกหลาเอ้ยมากินเขากินน้าเจ้ากูสียอยากกสีวแ ห, ห, ห้งเดละเสร็จสวยเพี้ง่ายจนมาตะเวนเที่ยงไปแห้งเด้วลูกหลาเอ้ยมามาลูกหลาเอ้ยมากินเข่ามา มันกระซิหิวต вот ah ัวจนมันเทียงโบแห้งแล้วภากันสร้างสมบัติยังอยู่คือมาสวยมากกะรอกก็ได้แท้เอาแมียกัยากเบียกยากงานอยู่ทั้งในบ้านในซอยเมยไปเกลี่มอันมาเกลี่ยมอันหัวตาเหลวกับฝ้ามาเนี่ยลูกหลานเอ้ยมันหิมะกินลูกหลานที่ลูกหลานน้าเมียกัเอามา กระเบิงมันยากไปกระดกบองแมีก็เอามาสุบนอกไม่มีก็เอามาเปลียงไก้น่อยแมีก็มาลูกหล่เอ้ยพตแนวเบชไปลูกหล่ะอนมอนมอนมมันยากหลายมึงกลับไปมือนเร่อยมันก็ยากลูกหล่ะน้ำซุ่มมเวน่ละมอนน่ะกได้ลูกหล่ะกมันยากหลายสมไฟแมมันถึงเเบิโอ้จเจังวะจังสันลูกหล่ะอย่าบอกเป็นให้เป็นขาดบอไปตัวจีตัวดนไหเจ้าบงเวลาสบายมีเจ้ากรเบิงเวลาสบากรเบิงอยู่นั่นแหะลูกหล่ะเ้ยาวบ้านใครเบียใารงานอย่บ้าน โ่แมนมันเวริลินโบนอเวริล่นยื้อส่ดวนี่ทางมากมันกัใกล้ๆนึงเด้แหะก็บใกล้ยุ้ล่าลูกหล่าเอ้ยกับบงสังขารแม่เนี่ยเป็นวัดแถแกล้วเนื้อเหี้อนางย่านหัตาเสียกับบงคือย่างน้อยแม่เนี่กัเแ่ากับแกะแหล้วกับย่างซากับมันกับเป็นธรรมดาลูกหล่าเอ้ยแม่ก็บเฝ้าสุดซุดอไเนี่ลูกหล่าแม่เฝ้าคักแล้วเฝ้าคักเออเฝ้าคักจนหน้าหวบางเที่ยงออแล้วมันบ่เฝ้ามันสิบวันมาใบพุ่ ขะหังว <Slow S 2> ่าเนี่ลูกลาเอ้ยก็เสียบสมสารแม่รู้ตัวแม่นะที่ลูกลาเอ้ยจำได้บ่บอกมัว่ามัอเศ้าจำได้บ่ว่าจังดิขนานมาซาหลือเจ็บบ่ดิมาซาหรือเจ็บผู้จักบ่เจ็บยังโน่เทสสวยเพล่งง่ายบ่เศ้ามาแเว้บ้านนั่นเว้บ้านนี้บพ่ลูกพ่งเต่านั่นอันเ่าโพยสมเ่า อ้งม uh, um. bon ่เมีเปว่าเพื่นลูกเพื่อนเต่าจ่ายางไหนเดีนี้ครับเออไอเจ้าจ้างเป็นว่าเป็นให้เป็นขาดมาใส่นไหแเม่จังสีย่างออกมากเขาว่าเพืนแต่ควควบควบอยู่นั่นว่าจังใดว่าข่อยมาฟังความเจ้าฉันเป็นให้เป็นขาดอันแม่ยนี่ก็บปงหูมาทรงเขานีสวยก็ดกระดิตบจักบาดซะว่งสวยมันจังว่าเมียากแมลำบากอยู่บ้านเพื่นลาละเอ้ยสวัสดเสร็จสรพกิจ จะจังจจังเห็นจังตาเห็นนี่ลูกหลาเอ้ยจะเสิ็จจะสักขายจะจะทำไรเมียแต่ลูกหลาเอ้ยโยตุเมียแน่น่นข้ามเมีงเอาแห่งเกศเมนีเนินทอสหายกำลังเผาฮอนพายมอยม จึงเอิ้นดามันดาพุที่มารอบทรงเถาะทัง้งเวาดาปัจจันตนา ตัวว่าเป็นขันหมีบ้านเจ้า บ, บ่อเบิ่งเวลาการสวกสำลันเทนอสพวกมูมาน้ำยนน่ะจนเฮือเหนือลงเงินไตเที่ยวไปจนลืมหลวกไปนี่ทุกพ ว, วกมูเจ้าเที่ยวเออ่เรื่องกูน่ะ ศากตรมีพอแม่บ้อห่วนกูเกิดสาสตรที่เกิดนำ้ำนากูทาอย่างบ่อเลียวดูเบิงตาเว้นดอกจนลานสวัวสีมาจนเย็นย่างทั้งเข้าเดียวกบมาหอดผ่านมันจอดเวียนสาเล้วจังคอยมันอ้าพวกกูเจ้ามันสมบานสิ่งมาเกิดไรบาน มีแต่ตาบอจำเรื่องยังฟังคำว่าได้ว่าพอว่าแม่เป็นหมูเป็นหมาจังสั่นคำเอ้ยเจ้าก็ได้เจ้าสั่งเว้าสั่งว่าแต่ละรคำเออเท่าส่อพ่อคือซุ้มเจ้าเดี๋ยวเสี้ยวคำปันนำว่าโอวยมาสั่งเว่าสั่งว่าเท่านี่ยิตโตปนาให้สวงหายโอ้จะเสห์จะคำเด้อมาสิเป็นบาปเป็นกรรมเด้๋ยคำเออเฮียงว่า ไปผัดยังให้ตบจากบาทศเป็นหยังมากไใกล้เมื่อกี้ตบให้เบิ่งหนุ่มกเลี้ยงบเโอ้ยจะสติจะสขาดเม่ยต่อรลวกเอ้ยเจ้าจะเห็ีดไปทัวทิบทัวเดียนมันสิเป็นบาปเป็นกรรมในคำให้มันมาโหลบาปกรรมมันสิเป็นเั่งไร เออเว้าไปลายแหงสั่งลายค่าให้ไตสไลบอสอดว้นอเทกูเน um ่ตบจากที่เพื่อสอนสังเจ้าไปเหตีอย่างจังมาสวยกะด้อบอกเห็นบอคอยแหงหิวหิวกระนั่งลงกินซะครับเอ้ยจะเสว้าดนได้ลูกล่ามันจิ๋วเก่าดีนะแหงมุนเตียวควาบมันอยากติน ไฟบอ่อส่วนผู้ได้เลยขันสัวสำปันนีน่ะพ้นผู้ฟังอยู่นี่สังน้ำจันบางเน่บอ่อสาดมีแม่สอพอหรือว่าพวกมูเจ้าเป็นจังสี่อยู่ในนี่จะ ก, กี่คูน่า ทบเมตตนเบิงก่อนน่ะเพื่อให้สวงให้หมดนเอาให้มึงจดจำเบากูสังสอนยาคืนดื่น่ะถือว่ามาวันน่ะธรรมาสวยกูต้องนำนมานำให้ตายอยู่วังนี้เป็นผีเฝ้าอยู่ทงนำ้ำน่ะกว่าคูนฟังยาสุว่าคอยบาเทียตตำเรื่องที่มันมีน่ะที่มันดาเจ้าขว ฝังเอีงจังสว่างหายหิวได้น่ะไปสาธิยัยเถอย่ามาอวยนำตาโนย่อยนน่ะเอาเดี๋ยวสิเธอมาดร้อยนอนกินน้ำเข่าต้มขันกูเ บ, าบ้าบะเสื้อฟังออหน่ะมือต่อไปขั้งขอบอกว่าอย่ามาใสา่หนเดี๋ยวสิใจคือมาหากเรือนคําจาวา เอาเสาสาติยะมาไกลนี่ไปไกลเดี๋ยวสีนำอันนำตาขวงมือใจบ่ใจอ้อยยามาไกลน่ะให้ดวนนี้สาดเดือนอีเม โยกัยกุิเตเงนี่มกาวปวงหูลงหัวลาบไอี่า พ่อสรอสางได้ เ, เห็นอยางเรียกไก่อยางได้งูมาหาอยจังเมียนเสียงสะตาโนยบ่หวังคอยสิมีเรื่องบ่อยากขาดบ่อยากเครืองบ่อยากหอนบ่อยากเก่ง ลาบ้อยากพผอค้นกิงบ้อยากเสียงบ้อยากสู่หากผ่านสู่โยบอออ้อสบเน่าลาบ้อยากปากหากได้เบ้ายานมันเนาค้นสิเมนลาบ้เป็นกำเป็นเน่าเหม็นในค้นหูว เจ้ามีหูบอกฟังบอกเจ้ามีตาบอกเห็นบอมาเกินบ้านบอกคือเพินลาเวลากินบอเห็นกินพวกคุณยมมุนีลาเวลากินบอเห็นกิน พวกโมเปินกษํานี่เวลาได้กษํากันละบ่พอจันเจ้าสังจันไม่เบาอ่อนเจ้ากับแข็งละเมีบอดีเจ้าไปเฮงเลือนเกินดอกคำวมนาละเมีบอกมหากินโถเจ้าผัดเอา ฟามืองนำเจ้านันสางบ่ฟังคำเมียหวังเดียเจ้าตัวเจ้าโหดไรไหมสิขาเมียเจ้าคหละคำจี่เมียนอขวานหลงเลอยกลับกายบ่เป็นผล สร้างเป็นโค้นเนื้อขว้าพ่อเมียจากบอกมีอย่างเดและบอกเคยฟังเอาใจใส่เจ้าเหตุยังลงไปให้มีใจต่อตั้งเดี่ยวเสีพฟังบัดเมื่อลังและมานอบ สิ out, h h na, the มห้องมะหายิหยางสีมห้องมะหายิหยางกุบตีตกหัวกันแท่น้ากับบนหัวเรลาตัวบอกให้มาแต่เศ้ามัดทรงยังสวยพ่อแห้งเลยห้องเฮาบ่คิดเบิงเลยว่าหิวสามใดี่สิกินค้วอยู่นี่ละมานมเอยเพิ่นบอกว่าโมนีสิพ้าตัวนอตตกตม โลกขคะเมือเอาแต่ใจเสีเดือดร้อนภายนาคเสียนบอกให้เวนเจ้าบอกเวนเจ้าเห็นเมียเป็นภักป่าอันนีจากชีวิต เ, เกิดมาบอกคือบ่มันก็คือบ่านนี้แล้ะหัวจากบ่จำไว้จำใส่ใจไว้ ละมาสงสารชากตาเดชเมียน บ, นบุญบุบเพตง้กินกับจักอาอยยังมามือได้มือไหลกับแต่ไก่แต่ไก่นาที่เป็นไ ก, ก, ก่พอแห้งหูจักบ่อยังกับกินไปตามมี่ตามเกิดจะลูกละ อ, อ, อาหารป้าอาหารโคกคือพอเห็ดมากินเน้ มูจักบ้อละวาน่น่ะละมานบเอ้ว่าโอโนเวนกรรมว่าทั้ดีพอดแล่หอนได้อนว้โลกเจ้าคอาน่ะน่น่มันไม่ยกมือจอก็ให้หยัางบ่ท่านไหนคาอยู่ละคันเสียฮวางกะบกกา ออกเอ่ยเพื่อไอวาจาละเคานสีหองกะบอกกะว่าโอยค่อยเสียงเบาเบาม้ามัดมือลูกชายจนแม่เบื่อเบื้นจนมึนกลุมเอาเมื่อคุมกลุมนาย ฝ้ายน้ำตาเล้ววห้ยจมจิมอะไรอยู่ข้างเดีดก้างทุ่งอยู่นี่ลบาบสมแม่นี่เรียงลบอสมแม่นนี่เรียงสร้างบอค ำ, คำทาไห้เสาอยู่บเสาจิม๋มอ่าบุญอ่างคุณอยู่นี่เด้อ ลาบอสมเมโนนีเดียงเศร้าคําบอเคยถอยคอยกินห์บานย้ำตัวทุกข์ละทุมบอเคยหัวเปลืองผู้แานป่อนหวางสิ้นดีน้อสิ้นตน อดตาลับครับตานอนช้อยโซกายอนเจ้านาำน้มเท่าแม่กันก่อและบอกเคยตัวเดอกใยตองกายของลูกถ้า น, นมาเข้าพกป่าแม่มาลกมูาลกพอกินแม่เอี่ยมน้ำกับพ่อเล ละามาหลกมาคำเกลยวมากินสาให้มันยิ้มเจ้าสิวเมื่อลากินสาลาเมียบทอคอือแล้วผู้เป็นเมียได้แต่นั่งโศกเศร้าลูกชจซเสื่นสดใสทุกปันใดสิทนเอาเพราะวะ่ากรรมโตมีไว ล่ามเสียใจก็เสียแล้วเสียเหมือนเลวก็เล้วเปลามีแต่อดอดเผลอมาจิ้นเขาให้เอ็มนานั้นละนะลูกค้า สิเตสิขากรไต่เป่ามีเหลือขั้นหลอกเศร้ากระมียั่งตายกระตายอยู่กับเจ้าตัวละครยิงมากินเข่ากินน้าจาคำเอ้ยแม่พอถือบอซราดอกที่เจ้าตีแม่รับแม่ว่างั้นนั่นละคำมากินเข่ากินน้าล่ะเออบ้านสีเป็นร่มเป็นแรงดีละเป็นไก่มันเป็นอยู่นี่แหละสิบ่เป็นเอาปูนั่นเยไปรอดเมื่อรอดหนีอย่ามาอยู่ไก่เราบังเราวังสิขาเจียร์สองมุจากบ่วไปรอดไป บัดเนรคำเบลังลระโยชน์เหน่งหลดใจสารพยนเป็นวันเดือนเขื่อนายญ่ม่อย่างอยู่ที่เดิมนอายุขนนับม เลิ a, yeah, yeah. A, yeah. ่มเงกระแป็นเปียนไปตามการบานเวลากะมุนไปอยู่เฮาก็คือดามเนบ่มีวันสิวันได้กานไปเปลี่ยนดอกคือเกานับมือแกหนับมือเท่าขันรอมือแต่สิ่เป ในนทรมาบนบอกไปมิ่งเกิดแก่คข็นเกียมตายอันลงพายลายจะเนี่นกักุ้งคำเตยตามด้วยเนนับหมื่นสดนับหมื่นสวยไว้ จะนับมือโอกจ้อมือตาไกายหอแลี้ยวฟันเข่าก็ลุนหายเนกายก็นับมือยนต้นตัวนั้นก็จ้องมองบอกไงตาเคยสียเคยดีก็มืดมัวไปมดเลี้ยวนี่ยเอ้ดีก็เคยใส่ไปทางใดกู bỏ khối trung viên tệ nhang bùm bả điều niệm cả bó bánh n riêng người thì bỏ đèn ầ u chạy xe n thăng đi giang cuốn n ba เมือนเพื่อใจบอกไว้มดเนแต่ความมีกำลังสูงเหมือนประตูบัดย้ำเจ้าจึงขอบอกความยาสุขาทั้งเจริญวันมือรองปล่อยวางน่ยสีร้อให้ตั้งแต่วันจังสีวางดอกย้ำได้นเนี่ยฮะใจแผ่เพื่นทั้งปี xuân nấu c ả lối em đàn em anh c ũ n g thề hứa quan tài nên cố đi đ a o s ù ờ n ắ n g rằng sẽ vô b ạ n gần theo vào nhục mềm để khám phá và cạn bể cả đ ờ y vô ta mắt dài bát ha t ạ i c á c q u a n n à y sa l à mê c ả nhúp trấu mưa để rau chín khâu n rau h ạ n h c h ạ y biển quăng nè lúa kiệt bưng nè k h ẩ u phộng thì miên say k ẻ cướp khung này bỏ nó nơi, nơi, nơi, nơi, พวกคูนู้นคพด่อนามบอกแกกำลังมียามไปเป็นม่เป็นกสิ่งใดพอทำได้ยามตาใสยามมือแจงยามูดับมือเดงแบวงแบ่งรองสาควยามสูข่าตั้งแต่คำน้อนปล่อยไว้ให้พันผูเ่นจนจนอดมื่นตายพอบอกพี่น้องอ้ยามยาว จันดูจริงบ่จริงให้ร้องฟังบ่ได้มาล็อกล้องตุมจังว่าในตอนเนียมเสีได้หันมาเขานน สำนโนมยิ่งเธอนึงถึงเมื่อไว้รอกจะถอนเสียขวานตั้งแต่เมื่น้ำความดีจนรวันถวายตอนี้ดอกแพงขวางจะเป็นทา เ่อบุญกุศลไว้เดียวในความเจ็บไข่เน่มาข้ามหลางไก่แกะเมตต์เอาบุคงสีน้ำมือได้พอมาไกลละมอหมเน่ร้องอาการกันเบื่อเลี่ยงคงไปอยู่รกน้างโดดเนล้วงชาลางก็มาถึง bọn cám n c n h ặ d ă bên hoàng năm tết h á n g chạp nè há quẩy tay bày d ị bên hoàng bày d mà bạc bà b ầ nhắm dịp hậu cần bọn non m í thì k u i cần du dọn nọ khui thuốc k u i p h ư n g g i n n o n เสียวคเหมนกันคนเจ้าว่าไปไหนใจสาเหน้อหิดนำยำยำค่อยปล่อยกอยถากเหนือนำลูกน้อยส่วนคนค่อย ฉลาเขาหวยหอดฟังนางบ่อไหวลูกบ่อได้เสียงข่อยกะบ่อดังตัวแม่เถาเอ้ยมาเบิ่งข่อยแน่ขเมื่อยหลเถาเอ้ยเมื่อนี่คือสิพ่อย่่ยังนําดอกเท้าเจ้าเจ้านี่จังว่าจังสันเถาเอ้ยเจ้าเป็นหยังตัวนี้เถาเจ้าเจ็บบ่งไดปวดบ่วงไดตัวนี้เถ่าคือสิพอพอไตอข่อยว่านี่ยเถาเอาจังสีเาเอ้ยลอลูกรอเต้าเท่าลอดลูกไส้เฮาสะก่อนเดอกขึ้นไปเอือนลูกส้คำลูกไส้คนมาซอยเจ้า จะไปหาหมอแม่เ่าเปล่ยนชงไหนเ่าเอ้ยอดใจรอจะข้าวเธาเฮ้ยบ่อยไงบ่อยไงบ่ยั่งเงี้ยไปรบเถาอยู่ใส่น้อมานบน้อมาโนลูกค้ำเอ้ยมานบลูกหล่าค้ำเพ่งลูกของแม่มาโน พอเจ้าเฝยกับท่านหันว่างันล่ะเอ้ยไปเบื่อพอในลูกล่ะเอ้ยพอเจ้าเฝยนักมานบเก่าที่นายมโนบผู้อยู่ในห้องของตนทราบแต่ต้นจนปลายไม่สบายในพ่อตนแต่ไม่สนที่เจ้าใจใส่เมื่อเข้าไปสู่ที่ใกล้จึงพูดออกไปว่าละเมนมูวเจาพักกันเป็นอย่างอีกมาห้องเวิกเวิกไว้ไอย่างอยู่ไหน มันเป็นหลายประนันติภาษาไข่ส้ำนี่พ่อตายดอกเขาเป็นเทพประนนติเละเอ้ยปเบิ่งพอได้ลูกหลาพ่อเจ้าป่วยหนักตัวนี้ักสีง่ายจกจิยั่งจักจิตหลอดมาหลอดตอนนี่ล่ะเอ้ยไปเพิ่งพอได้ลูกหลาพระอุ่มพอไปหาหมอได้ลูกหลาแล้วแม่สีเอิญไขยมาเฮ็ดยั่งหดมือตายกะสีตายตัวหามใบกะบ่อฟัาสั่งอกเป็นบ้าเป็นปวงสาวบอกทัวทิบทัวเด่นปนันติละครับเอ้ยไปเพิ่งพอเจ้านี่ ยศใจเกียใจดำไปนั่นแล้วคำเอ้ยเบิงก็เห็นอยู่หรอกมันเป็นแห้งบ่พ่อตายรอกเป็นได้กะหายได้ตัวภาษาไข่สมนี่จมาตีพวงตีพ้าไหลเ่ากย์ใจะเป็นจังได้เทาเอ้ยตอนี่ลูกไส้เฮาหนาหนาเทาันใจบ่อทองเ่าอันใจบ่อทองโอ้ยทำใจดีๆไว้เด้อเาเด้อคตายเทาคนตายแหละจะคอยเอื้อนคอยมาคอยนอนอยู่ยศกวน่อยเด้อ trung này c h â b chân s n h r i được không ơi <cười> จำเรื่องกานเทศน้ำใจหมดหัดแหงลูกแพ่งพอเปลือตนสิเพื่อนบ่ย้ำจระมิกะเมิดลอยลอย บ้านตอนทาาเงาใจได้อาอู้อ้อู้อู้อู้อู้อู้อูู้เู้ออู้อ้อูอููู้ ใจดีๆไว้เท่าเดิมใหใจยาวๆไว้เท่าบ่ละผัวมาฟังว่าผวยังมีต่ดันกัดนจังดับุญแท้น่เนือดวันสุดเข้ามา กเเอ่าเด้อก OK, ็สียูเดียวกสียันฟีหลอกดเท่ายันันยุทธเาทำใจดีๆีวเท่า เราต้องความดอกท้อตนนี้จากเจ้าแน่นับหนึ่งว่ามีส ตายผู้ตายมันเนียเองินว่าเปกับบ่ฟังรมเนีเจตนาว่าสตังว่าเสยอยู่ไปน้ากันกินน้ากันตายน้ากันสุดบ่อิงคือความเนีหัวใจเบา เจ้าบอยังล้างน้ํลูกสิษย์าเรื่องไปลบกวลมให้ทํานิ้งตลอดลวนลามทําสมรักษาศีนให้ทําเกี่ยอดอัทํานาน่าลบไปถธอ ว่าต้องเป็นนวนดอกเถ่าเออขอทีเหตุบุญเ็ตุธาตกขอทีสร้างบุญต้องบุญมาเจา <ไป S 1> ้าเล่ห์เถ่าเี่ย ความใทุกข์คามหลังสอนทานพุทธองค์ปวงวังปันสิวงหายใจโปยตอนวังปามเทวาล้อจงสุขชีทีพินจะคงจามได้ ไกจกับใจเจ้าญาลวงยอดชีว <te le rhythm ma> <bona> ิตดอกทั้งปวงกาสังขารมอบให้เจ้าเป็นผู้มีอารมณ์เหมือนเจตนาล่ะนะ เสียงนั้วอนวอนเบาตั้งให้คองนับถือและพอาะปานเสียงลงจากฝาลงมาพาอุลาโอปานตกไฟทั้งเป็นได้เกี่ยงกายขันเท่า ละมองพวนอนสงบนิ่งนอนบนติงเม็ดสิลิตายจริงๆเหลือคุณพี่นี่จากฉันแล้วบังโอ้โค้งดอกไว้หัน และเพิ่มมาิี่ให้โศกกันประโลมโลบทั้งจ่าไปบ่มีมาจ่าตัวฉันคั้นเสียแล้วและเนว้ว่าเหลือแต่เพียงหลังคั้นทั้งกายดอกลมปล่อย เลืี้ยงหวังเพิ่อไอ้บาดใจจอยบ่หวังกันและเเลืี้ยงหวังเพิ่อหวังนมจั น, จนเห็นแต่ฟังบัดฟังลุงหวังเสีบโปองชีวิตทอดผิดท้ายนั้นตายจอ ละเนงว่าโสทั้ง่อยตายเป็นผีหนีไปกวนหวังสิเพิ่งหลูกอวนในสิคือรอเพิ่งอายว่าตายจอยบ่หวังกันละนับแต่เมื่อสิห่างเวียนเม น, นขึ้นห่างแต่ห่างกันคือจังขัน แต่ละโอเองยดินสีขังนเหลือจังสามสีไก่ถวยพากเพียพวยสิไก่ปนพากกระเดาสีหางตุนกระเดานั่นสีหางคม ลาคือจังนี้มสีหางอมเปีสิหางเสิหางกระยมคมพาหอมนมวสีละหนาวบาสาวสีละสูงตัวลู เอโน้ขึ้นจังควายขันเขาตัวสีละนองขันตมฟุตตัเพียช้างสีหางนองสีมองหน้าไปบึงไมเดืิดหิองแล้วกา้สาวจมง้มน้ําปัว ไปาเดือพวักรักญาหว่งหลังคันที่ลาบนเฮามีจังเจอพ่อให้ไปล้อน้อทั้งแยกเมืองเฮาจึงแยกขึ้นโซฟาท้าลาลมไปห้อมกัน พี่นางเอ๋ ใจไปมันปวดเจ็บปุ่งโดงได้ภัยกะโค้งเสียเขื่อไขวัวตายไปได้เตะจมง้อมน้ากันอยู่จังสี่เท่านี่มาโน่น ลมาทำบุญเถิดเมื่อสนมาทำบุญเด้อพอสนไปสิสองกุศลฮะไอ้โน่สองกุศลผลท้านำผัวแพงผัวที่ตายให้น่ไปแล้วคนละเสีบคนละหาตามใจ พูสิสอยคนละบาทละเบี ย, บยพ่อสิได้หวัว ส, สักคุณเดี๋ยวนี้ฉันเกิดบนโลกโวิโยผัวมาตายเหลือลูกชายเพียงคนเดียวไปเที่ยวใส่บ่อทันคง ละมาทำหลงกันตัดไม่เทปตะโูนยอดเนใส่ละโยมพ่อเอือยโยมแม่เอือยไผ่พ่มีใจใส่มาทำบุโน้ซอยคอยพ่อสีไดทสงสารการ อ้าวใส่บาทหอมบาทพอได้ซอยจับหามน้ำตาไหลเลียนตัวอ่างละท่วมนงน้อยละคอยลุกใช้บอมัดจอยน้ำงจึงวอยวอยเอิญพุทตาตุนหายมาบึ้ง ละก็เมื่เจ้าไปโย่ใส่น้อเจ้าไปโย่ใส่น้อให้เกินคงเจ้าอวยหันและจกได้เพียงขันสันสันยานเป็นลมลมไปกง นางจึงให้อ่ อ, อนอ่อนสอนเีแต่โลก่หยมันเป็นบาปไปอยู่าย ผูไใดได้เริ่มทิมบิดามั่นดาอันคนแก่ควนบอกว่าเป็นคนแยบน่บวมีมือหุ่งเจริญฟังบรงดูในเรื่องนี้ใก่สีมอเห็นกันล่ะคุณโยมลูกพอฟัง ค, คำสอนบอลปายเสียนโฮโรกผู้ชายไปก็นโนรูจักคุณของพ่อเมย่อมฟุ่งมีผู้ึ้นได้ย่างดีดนนเริ่มจากนีนนฟังเบิ่งตอนสนุ ก, นกคุณโยมเอ้ย โรคสีรษะแนวได้ต่อพอแม่ตนคนเท่าสีกับใจได้หรือใม่สายเกินไปหรือว่าบอ่ล่อข้าวเดียวกะสีโฮฟังตอนหน้าเบิงไปคุโยมเออเอวเมธีวสีคนลุงเช้าวันใหม่ได้มาถึงนายมานบก็จัดแจงปล่อยแก่ออกไปเลี้ยงหากินดังเช่นเคยตามที่เคยกระทามาตามท้องนาอย่างสงบก็โดยแลก็แลไปเห็นแม่แก่กาลังให้นมลูกแก่อยู่ ลกแก่ทั้งเตะทั้งกัดไปทําไปสารพัดต่างๆนานาแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจจึงนึกเห็นคุณบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่ของตนจนน้ําตาไหลซึมนายมโนพหวนคิดถึงการกระทําที่ตนเองได้กระทํากับพ่อแม่ของตนแล้วก็ได้สํานึกผิดไม่ว่าตนจะทําอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่เคยที่จะสนใจเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วก็จะกลับรีบไปขอโทษแกม่มารดาของตน เมื่อหันหลังกลับมาก็ได้พบว่ามันดากําลังเอาอาหารมาส่งด้วยความดีใจจึงร้องใส่ออกไปว่าแม่หยุดอยู่นั่นละเด้อแม่เด้ออย่างยังมาถอผมสิไปรับแม่ผมสิไปขอโทษแม่แม่หยุดอยู่นั่นล่ะแม่ฝ่ายมันดาเห็นลูกชายวิ่งเข้ามาหาได้เข้าใจว่าลูกชายจะมาค่าจนจึงร้องออกไปว่ามาโนเพย มนุยอย่าเขามาเดีลูกลาเด้ออย่าเข่ามาลูกลาจุดจุดหันเดี๋ยลูกลามนยนเฮ้ยมนอย่าเข่ามาลูกลาอย่าเขามาอย่าไปลูกลาลูกลาอย่าเข่ามาลูกลาอย่าไปผมสีมาฮับแม่หยุดแม่หยุดอย่าเขามาลูกลาอย่าเขามาอย่าเขามาเด้ลูกลาเด้ออย่าเลนแม่อย่าลนหยุดก่อนแม่หยุดนี่ ละยมเมอ่อความในใจบ่เหลือซ้ำหาหนทางนี้ไว้ก่อนดูทาที่คือสิฮอนรมอ่ อ, อนบัดเลียนมนา ละพบ เ, เป็นแมเมือบสิบบหวัวใจสลบเกี่ยวเขียดบอเถึงตะลื้องมิดเมื่อยมมินจนโตล้เห็นลูกมาดอกทั้งวิง่งเป็นสาวิง่งแล้วทางแม่ ตกถึงเขาบนเยยานโดนเสดไฟลลกตเมยจะแล่นเมียเห็ดจังใดละเมียสนเห็ดจังไดลาพ่อสน ส, น ส, นสนิผลบอนดอกความเติม ยานหลุดหายน้อตบตีแม่ตั้งนี้ดอกเอาไว้อย่าไปแม่อย่าไปหยุดยุดหยุดเสียไปใส่เละขว่าสายขั้นเมนโยแม่ตัต้งตายไว้สินพ่อหลกก็ เห็นเห็นคำผู้เป็นพอแล้วพุดตายจากเลี้ยวะวางว้โลกสิตธีแต่สินใจ อ, อกจากที่ท่้นวิ่งเลียนเบ่อเลียวหลัง ฟังแต่คำหลกใจจะเอินใสหลังดลอกตามคนหยุดยุดหยุดตัตนเดียวเจ้าสีแดงไป้ายหยุดยุดยุดลูกคนตีบ่ข่าแม่เดือ ดูต่นเดโนตคอยเฮี้งกระถอยกำลังอ่อนยานลมตายยกกอนทั้งหาพ้นกวางเขาเดินวิ่งดอกเล่นซ้ำละทั้งโลกชายกระแหงห้องเีกซ้ำ ên năm năm t ạ m l ặ n anhit cha trí v t k ế t má là âu lửa hiến mẹ oan phong châu nhắm thâu che ái kinh. น้ำลูกพ่อกัดตายเมียกัดเท้าอาศัยเจ้าพัดไหลคุมน่ะลูกข้ามเอ๊ยหยุดแม่หยุดเจ้าสีแ่นไปสายลูกบวตีบวช่าแม่เด้อหยุดแม่หยุดหยุดหยุดนันเด้อ จะไปสมลูกคำเอ้ยแหงเจ็ดใบรดแหงกุมหมุนปินมาจักยังยานฟังเชื้วีโตลูกชายในข้าวนี้มีผู้ใดอยู่แถวนี้ซอยจับที่จับไปเนื และยมพอ่อน้อยยมเมียลูกเลยตามเสียขาเมียมาซอยจับไว้ให้ค่อยพ่อได้มุมดอกบานตายและลูกคำเน้อ ตีบ่อหาแม่ดุดยุดยุดยุดลูกเอ้ยเห็นสางบ่อยกขางนาะอวางสินดอกจงจงเกอสิบไปดอกบ่บมจึงเอ็นส่งลูกชายขวัญแม่ผัวใหม่ตบตีเอียบท้อไปเฮาเศร้าว้ สิ ficar, ้นใจขอวางสิ uh ้นอ uh ินส uh ิกกายหลงในบอกเมียคาตายไปน้ำพอลูกจะก่อเหตุไรไปนะยากจะทำนะกรรมที่เจ้าดอกได้เล่านอกรรมละกรรมที่เจ้าดอกได้เล่าเอ้ยกรรม เทอกได้ลำได้ดทำกวามาเรือไาลาลูกคำขันเม่ตายเม่เสียวเพียงคนเดียวบอกเ่ยวกำลกน้ำจ้าเม่ยอย่าโดดแมีสิ่งที่เจ้าเหยียดกับเม่มามันเป็นเว็นกินกำ น, นันแม่ก็ขอโหสวีกำเมีลูกลาเดือ แม่พอถือโตกดซาแม่ประจองเว้นจองกำน้ำเจาดอกทำและดอกคำอ้อยขันแม่ตายแม่เสียอเพยังคนเดียวบอกี่้วกำดอกน้ำเจ้าะตโล ตัวลยเจ้าผู้ผัว ด, ด, ดอกวานเจ้ยายับไปหาพันทำลายดอกคนอื่นลกูกคำเอ้ยเริ่มตั้งแต่มืออื่อนคัดแม่ตายจากเดีวลกูกคำแก้วอยากกว่ากำละมองนาลูกดอกไหลเหลา ท้องมาบากจนผมเทตัวโตสศมัวนําตนได้คมแหงมาพอเลี้วสิ่เดีเจ้าสร้างทําตัวมันเด่น ลูกคำอ้ายเมียนว่ะเมียสิบเห็นกะพ่อใจที่ได้เบ้าสอนเจ้าก่อนสิตายคำอ้ายเห็นลูกชาเข่าม้าไกหายใจไงตั้งหลายคนลุกตัวเดื้ ดูต่อเด็กแหกเมีนผู้ใดสิดูเจ้าเที่งเวลาขันกินเขาเมีนไปเด็กเสียหักเงินบัดย้ำหลับย้ำตื่นไปสิบปากเสิวเอาน้ำเจ้าบัดเมีตาว่าโอ๋น้ เอินสังโลกวันสุดท้ายขอฝากสังเป็นคำลาให้ทำบุญไปหาพอพุทธใหดอกไปผมคันเม่ตายไปเร็วห้เจ้านั่นสั่งน้ำทำบุญสั่งผ้าหนีสงงไปพอกับเม่ได้หอลาเด้อฮัมอทีิเกดไว้นำกันลเอ้ยกับพ่อเม่ ขวดดลงบ่ บ, บขอให้โลกขาที่เคยได้ดังกระทำโลกข้าเมื่อันชีวิตบ่างส้ำบุตรโรกสุดที่รักหักสุดออกหักสุดใจเมียนให้บอกคือเจ้า ตาสินใจลงมหมดสิ้นแนวใดดก็สิ้นพุงหับอาหารกับกวงเขาหับอาหารกับวค ว, าาคบวงควาาเขาเมล็ด Chào g i ฟังน้องพัดไต่เลว่าลูกก็เมื่อนื้อจะเบาลูกคนเขาปัญญาอ่อนแม่ปัตไตเสียกอนลูกมาทันได้แจ้งอัอความเอาแม่แลนอี้ เสเง็นเข้าคนคีมน่ะเมีส่นสังวัตถ์นี่น่ะ มีความกะตันอยู่เมียผาตัยเสียเลวโต้โต้เป็นคนจว่วเมียผาตัยจึงเฝ้าเรียเสียงที่เฮาตอบแทีนคือก่แเมี้วยรอเลียนได้เจาให้รักสวงงอาสาัดกูเนื้สวาไลน์ เพิ่งสำเึกในบุญคุณอเพิ่งเสียนความเดียแม่ตนผูวทนเลี้ยงนาแม่นั้นเพื่งอาหารเขาอีกโน้มจินจนว่าจอยคอยอาใส่ลูกหน่อยบาดยำเทาว่าแก้กาย ครับลูกที่สวายมาเป็นต่ไหนอยกากให้มาเมื่อเอ้อให้ขึ้นมาลกูกสีขันอาสาเรียนลูกบอกให้อึงนกำพอลูลกสีขอบอจวใจขึ้นปวงอี เสียใจดิได้เทควางอีกมังนาอยู่บ่เศรมนาเป็ียนน้ำคำเปลดเป่าลามเอาป่อเมีบ่มีท่อยลาจึงลองล้อยบัดจุดปาขาดอับปายบ่มีหมอ โบจูมสมที่ตนได้สวดเดีวสีน้ำใสดอกไทยกาเนา เทวุลูกได้ลวงลำกำพ่อเมียบ่มีทอยนะเป็นสีคอยจากพันเปียนะป้ตุนตุนล้นตัวคนทำตัวคนสางน่ะแผงหนทางกะต้องใจบาบ่มีวันไทยกะเมียนควอยนี่ละทานสันดาลช่วพวดสัวลาย And. Uh... โยมผู้ฟังโยกควาใครญาติเล่าในเดือยโยมลืมนาะเท้าไปเคยเป็นกะเส้าสาดังนีท่านฟังเดียวลายาวเนี้ยยาวยังผิดคำสอนพระเจ้าเก่าสุ้มสาธาพวกเป็นเบาเจ้าป้าจะรอกพี่นว่างให้เพี้ยนเลี้ยงพ่อเม้าอุ้น่ให้เลี้ยงเปื้น จนหอดถอมจนเปนขาขานิ้เอา้าคามายาสูเป็นคือฉันบัดเปินตไตจังหวันพอนา พอคู่น้อมเมีคู่นอบัดยำาสมันบ่เมลมบัดยำเจียบกระดูกก่างม้าคอยอ่างพอเมีกัในนี่ทันหรือบดกระทวนได้อังเหตดดอกเมื่อผลดอกโยมอึมนาทุกทุกคูนจงทำเดียร่องนี่ทันนีวันนี่มนา หาเม่เป็นผีจังมาห่องเนี่ยวจองห่องลูกศาสว่าเมื่อแต่ขวดตอกแต่กาตัวมันบาทแต่ผู้เดียววะตัวแหงบอดตัวแหงเบี้ยวบ่ได้เกี้ยวคำสอนบาดพ่อเม่นอนหลับตาจังคอยมาคานิ่งพร้อมนะบาดเม่ตายเลยเก็บเียละเขากา ไอ้ทนขีฟ e mm ุลเก็บอัฐิใส่ธาตุไปเขียนกว่าจะเลือกคำเขียนเป็่นกวนเลือบอกยำผู้ใดทำต้องใส่คำเจ้าของมต่บาปบ่มีวันไทยโยกใส่ใจพวกมู่เจ้าเอาว้าตัวลูกล้าน อูออยาให้ด อ, อย่าให้ด่านสิบาทคือเห็นโอ้โอโอโยคนเล้วซ้ำดอกคือฉันดังที่ฟังในวันเหนียนสางทั้งดีอย่าเวลวไหลนี่ละคู ุดหยับยานาให้ทาดีโยกใจไว้อย่าเลวไลเจะดังฉันนา คุณพ่อเมียดอกกว่านั้นหนักหน่วงกว่าหินผาผ้าสุธาดอกคือดินบอกเกืงคุณมันดาไทยนาคุณของมันดาไทยเมนเสียววิหานรผ้าฝ้ากับ่อทอนีเมนคำเฮาน้อโอโอพ่อเมียายจังไดหัวคุณนเถ้าพ่อเมียโต้ โอ้ยเริ to to <el> ่มต้นตั้งแต่เมื่อนานสางชีวิตให้สดใส ใส่กำเจ้าของยองขอบำเพีนบูชาคุณเพื่อกุศลสาองไเทยขอบวชเพียนเป่งใส่เพื่อถดแทีนตลอดสัวขอเอาตัวมอบไฟในผาจะหอมเหลืองขอถดเทีนคุณขอขอถดแทยนคุณแม่หาขอถดแทนคุณแม่ ผืนยงังฝังสิ น, ตนปต้นปลายอาโอ้ยคำกระไดเว้นกระเดียให้ท่อมีมาแล้วจากกีพีกระตำมแล้วเกิดสาดายกระตำจางสีขอบวัดสืบสางทอดแทนไววเพื่กอกจคำนา จังว่าสาทวสาทัวดื้อ สิ่งที่เขาได้รังลำเอานสิมีมากบ่าเคยถอยสิลงน้อยอาใบปูมจุ่มเผาบอกกว่ายัน่ะสาบันตุนแต่วันนี้ขอบวชทาความดีเพื่อลบล้างความสัวหมอหมอบตัวโยกใส่ไว้เป็นสิทธันพุทธาคุณน่ะขอหมอบบุ่นหลอกส่วนนี้ เดวเอาให้พ่อเมีไปจวนมด วาดวำเพียนเพียนพวดจนว่าตายไว้สิ่งใดยินไม่ละโยมเจอขอลาด้วยโอ้ยขอบวดกอดขอควนโยมยาฟ้าหวานยาสังขาผู้บอดีดืะลืมตั้งแต่น้อมืองเดียนความสว่าบ่มีเห็นลงลายสิ่งกระตันยูตโต ไปในวันนี้นะเอวังที่รักความลายบอกขอหมาสิเหลียวใสไเพ่พูดีใพ่ผูมีใจใสสิทำบุญบวชลูก ช, ชั่วขอเจนตันได้ความมานะบุญเอวังที่ความว่าบวชนหยุดเสียกวนจังเดินไปนะ ตาสินใจเอาชีวิตมอบเต้นบูชาไว้มอบกายใจบาจาพอมสำรวมตัวตั้งเียงาสมาธิโบเอีนนยางนาเอาผ้าเร่องมาหอมมม่อหุ่มบ่มีกุมแต่ยางใดหนาเหวีงความดอกสววยเป็นคนไม่บ่คือหลังอาดีตการหมดไปบอ่เอ้ย หาขอ ล, เลาเดวนาเท้ควรฟังกระพรออ้อมนาจังเจอกันในครั้งใหม่ขอ ล, เลาเดวค่ะพี่น้องสัทธาทา น, นาผู้นังฟังนั้นดอนเนศธา กระถือเป็นวานิยท่านเรื่องนี้เรื่องบาปไม่มีวันไทยตอนนั้นลูกก็บอกกับใจว่าบัดนี้เข้าในมกิรพิษในทําพิษเห็ดให้พ่อแม่นี่เดือดร้อนแต่อยากแท่นพุ่นแต่กัดสายเกินไปคึดพ่อตอนแม่ไปทรงเขาบันชุดท่าย แต่ว่าแม่เผดคิดว่าลูกสิแรียนไปขา่าแต่ว่าตามจริงนีนลูกสิแรีนไปกับแม่ว่าเออตอนนี้ผู้ขาได้ลงพิษไปแล้วแต่เขาใจคนละยางแม่ก็เลยตัดสินใจโดดข่าตัวตายพราะแต่ข่าตัวตายแล้วผู้ที่เป็นมโนคือได้ว่าสิ บ, บวทแทนคุณเข่าขานรุ่มของพ่อของแม่ แต่บวชแล้วก็พอสามารถที่ไปบรรลุอรหันต์ได้หรือวรรณะได้ย่อนว่าค้นขาพ่อตีแม่ก็ดีเพื่อนหา มักพ้นักนิพพานเพราะฉะนั้นนิทานเหล่านี้ซ้อนให้ญยาดให้โยมได้รู้จักมากุลว่าการคุณงามความดีให้สั่งกับพ่อกับแม่โดยจาเป็นจะต้องไปสังกับพ่อกับเจ้าให้มากม่กายกองยั้งแต่ว่าพ่อแม่เหาผู้เพลินเลี่ยงเข้ามาผู้เพลินผ้าเห่าใหญ่เห่เบิงแง่งเพิินให้ดีๆเลี่ยงจิตใจเพลินพร้อมเลี่ยงกายเพลินน้ำกายก็ให้อิ่มใจก็ให้อุ่นเพราะฉะนั้นกับขอฝากฟังกับคณะสันสัทว์ธาตุหยาดโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย อาลบัตินี้อรตมภาคทั้งสามรูปได้ช่วยกันประคับประคองสนองศรัทธาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตั้งแต่ต้นจนมาถึงบัดนี้อรรมภาพขออังยิงคุณพระศรีรัตนไตรจงอภิบาลประทานพรให้คณะท่านเจ้าพาศเจ้าศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ตำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครคุณพระพุทธเจนน้ำคุณพระธรรมเทนุนคุณพระสงฆ์เวยค้ำคูนิราชโรกนิราศกนิราชภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดหักไม่เกินวิีัยแล้วไศ้จงให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จทุกท่านทุกคนรับประทานวิสัชนาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปการะชนี Yeah.